เมตตาสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าดังนี้ผู้ฉลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบทควรบำเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู้อาหารซื่อตรงเคร่งครัดว่าง่ายอ่อนโยนและไม่เยื่อยิงควรเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรียสงบ มีปัญญารักษาตนไม่ขนองไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลายอันหนึ่งไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆที่จะเป็นเหตุให้วิญญูชนเหล่าอเอินตำเหนียวยได้ควรแผ่มเมตตาไปในสรรพสัตว์อย่างนี้ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขมีความเกษมมีตนเป็นสุขเถิดคือเหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้วาสดุงหรือเป็นผู้มั่นคงขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่มีขนาดกายยาวขนาดกายใหญ่ขนาดกายปานกลางขนาดกายเตี้ยขนาดกายผอมหรือขนาดกายอ้วนขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดีพูดหรือสัมภเวสีก็ดีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงมีตนเป็นสุขเถิดไม่ควรข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาสไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความโกรธและเพราะความแค้นควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ดุดมารดาเฝ้าถนองปุจคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาจิตชนิดไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเวร ไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่วทั้งหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างและชั้นกลางผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสตินี้ไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชเรื่องการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรหมวิหารอันหนึ่งผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกาจัดความยินดีในการมาคุณได้แล้ว ก็จะไม่เกิดในคันอีกต่อไปเมตสูตรที่8จบ 9. เฮมวัตะสูตรว่าด้วยเฮมวัตยักษทูลถามปัญหา สาตาคิรยิยะกล่าวดังนี้วันนี้เป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำราตรีที่เป็นทิปรากฏแล้วเราทั้งสองไปเฝ้าพระโคโดมผู้เป็นศาสดาทรงพระนามสูงสรงกันดีกว่าเฮมะวัตตยักถามดังนี้พระโคโดมเป็นผู้คงที่มีพระทัยสม่ำเสมอในสัตว์โลกทุกจำพวกจริงหรือ ทรงทำความดำริในอิทธารมและอนิทธารมให้อยู่ในอํานาจได้จริงหรือสาตาคิริยักตอบดังนี้พระโคโดมเป็นผู้คงที่มีพระทัยสม่าเสมอในสัตว์โลกทุกจำพวกจริงและทรงทำความดำริในอิทธารมและอนิทธารมให้อยู่ในอํานาจได้จริงเฮมวัตยักถามดังนี้พระโคโดมไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จริงหรือ ทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายจริงหรือทรงประพฤติทางไกลาจากกามคุณจริงหรือพระองค์ไม่ทรงละทิ้งฌานจริงหรือสาตาคิริยักตอบดังนี้พระโคดมไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จริงทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายจริงทรงประพฤติทางไกลาจากกามคุณจริงพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่ทรงละทิ้งฌานจริง เฮมวัตยาคถามดังนี้พระโคโดมไม่ตรัสคำเท็จจริงหรือมีพระวาจาไม่หยาบคายจริงหรือไม่ตรัสคำสอเสียดจริงหรือไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อจริงหรือสาตาคิริยั์ตอบดังนี้พระโคโดมไม่ตรัสคำเท็จจริงมีพระวาจาไม่หยาบคายจริงไม่ตรัสคำสอเสียจริงไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อจริงตรัสคําที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว ทรงกําหนดด้วยพระปัญญาเฮมวัตยาถามดังนี้พระโคโดมไม่ทรงยินดีในกรมทั้งหลายจริงหรือพระไถยของพระองค์ไม่ขุนมัวจริงหรือพระองค์ทรงล่วงพ้นโมหะได้จริงหรือพระองค์ทรงมีปัญญาจากสุในธรรมทั้งหลายจริงหรือซาตาคิริยาคตอบดังนี้พระโคดมไม่ทรงยินดีในกรมทั้งหลายจริง พระไทยของพระองค์ไม่ขุนมัวจริงพระองค์ทรงล่วงพ้นโมหะทั้งปวงได้จริงพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงมีปัญญาจากสุในธรรมทั้งหลายจริงเฮมะวะตยากถามดังนี้พระโคโดมทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาจริงหรือพระองค์ทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงหรือพระองค์ทรงสิ้นอาสวะทั้งหลายจริงหรือพระองค์ไม่ทรงเกิดอีกจริงหรือ สาตาคิริย์ตอบดังนี้พระโคโดมทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาจริงพระองค์ทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงพระองค์ทรงสิ้นอาสวาทั้งหลายจริงพระองค์ไม่ทรงเกิดอีกจริงเฮมวตัตยยักกล่าวชื่นชมสาตาคิริย์ดังนี้ท่านได้สรรเสริญพระทายของพระมุนีโคโดมที่ถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม และสันเสริมพระมุนีโคโดมนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยธรรมสาตาคิริย์กล่าวชื่นชมเหมวัตยักษ์ดังนี้ท่านก็ชื่นชมพระไทยของพระมุนีโคโดมที่ถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมและชื่นชมพระมุนีโคโดมนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยธรรม พระไทยของพระมุนีโคโดมถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเราไปเฝ้าพระโคโดมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะกันเถิดเหมาวัาตายะกล่าวดังนี้มาเถิดเราทั้งสองจะไปเฝ้าพระโคโดมผู้มีพระชงดังปลีแข่งเนื้อทรายมีพระวรกายงามระหงมีลักษณะองอาจสวยพระกรยาหารแต่พอประมาณ ทรงปราศจากความติดพระไทยในรถพระกรยาหารทรงเป็นมุนีผู้เพ่งพินิจอยู่ในป่าเราทั้งสองไปเฝ้าพระโคโดมผู้ส ง, งาดุดราชสีสเสด็จาริกโดดเด่นพระองค์เดียวทรงเป็นพระนาคไม่ทรงยินดีในการามทั้งหลายจะทูลถามถึงธรรมเครื่องพ้นจากบวงมจุราชเราทั้งสองจงทูลถามพระโคโดมผู้ทรงแนะนาพร่มสอน ทรงถึงฟังแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้ตรัสรู้ล่วงพ้นเวรภัยได้ทุกอย่างเฮมวัตย์ไยทูลถามดังนี้เมื่ออะไรเกิดสัตว์โลกจึงเกิดสัตว์โลกยินดีในอะไรสัตว์โลกยึดถืออะไรเพราะอะไรสัตว์โลกจึงเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เมื่ออายตนะหกเกิดสัตว์โลกจึงเกิด สัตว์โลกย่อมยินดีในอายตนะหกสัตว์โลกยึดถืออายตนะหกนั่นแลเพราะอายตนะหกสัตว์โลกจึงเดือดร้อนเฮมะวัตายากทูลถามดังนี้ความยึดถือที่ทําให้สัตว์โลกเดือดร้อนนั้นคืออะไรข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องนําออกจากโลกสัตว์โลกจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ กามคุณห้าอันมีใจเป็นที่หกซึ่งมีอยู่ในโลกเราประกาศไว้ชัดเจนแล้วสัตว์โลกคลายความพอใจในกาามคุณห้านี้ได้ย่อมพ้นจากทุกได้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้นี่คือทมเครื่องนำออกจากโลกเราบอกแก่พวกท่านตามความเป็นจริงเราก็บอกพวกท่านเช่นนี้แลเพราะว่าสัตว์โลกย่อมพ้นจากทุกได้ก็ด้วยวิธีดังนี้ เทมวัตยากทูลถามดังนี้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะได้ใครเล่าข้ามห่วงมหันโนบได้ใครเล่าไม่จมลงในห่วงมหันโนบที่ลุ่มลึกปราศจากเกาะแกงและเครื่องยึดเหนียวพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีแล้วเพ่งพินิธรรมภายในมีสติทุกเมื่อ ย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามได้ยากผู้นั้นเว้นขาจากกามสัญญาได้แล้วเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ทุกอย่างหมดสิ้นความเพลิดเพลินและพบแล้วย่อมไม่จมลงในห่วงมหันโนบที่ลุ่มลึกเฮมวัาตายะ ก, กล่าวดังนี้ท่านทั้งหลายโปรดมาดูพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีพระปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงเนื้อความอย่างละเอียดไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่ทรงข้องในกามะพบทรงหลุดพ้นได้เด็ดขาดในอารมณ์ทั้งปวงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สเสด็จ ด, ดำเนินอยู่ในปฏิปทาอันเป็นทิพย์ท่านทั้งหลายโปรดมาดูพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นมีพระนามเรื่องลือกใทรงแสดงเนื้อความอย่างละเอียดทรงประธานแสงสว่างคือปัญญาไม่ทรงติดข้องอาลาัยในกามทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ธรรมทั้งปวง มีพระปัญญาบารมีสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จดำเนินอยู่ในปฏิปทาของพระอริยะวันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วสว่างสวัยแล้วตั้งมั่นดีแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นโอคะผู้ปราศจากอาสวะยาก1 0หนึ่งพันตนที่อยู่ณที่นั้นทั้งหมดมีฤทธิ์มียศ ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นสรณะโดยเปล่งวาจาว่าพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วเที่ยวประกาศธรรมไปทุกขนทุกแห่งตามหมู่บ้านหรือตามขุนเขาลำนาไพร เฮมาวัตส ok. ูตรที่เก้าจบ 10. อารวะกสูตรว่าด้วยอารวะกยักษทูลถามปัญหาข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่อยู่ของอาลวกยักษ์เขตเมืองอรารวีครั้งนั้นอาลวกยักษ์ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกล่าวดังนี้ว่าจงออกไปสมณนะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอาลวกยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณนะ พ rainfall, ระผู้มีพระภาคทรงรับคําอีกว่าได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอารวะกยักษ์ได้กล่าวกับพ rainfall, ระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพ rainfall, ระผู้มีพระภาคทรงรับคําว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอารวาคยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพ rainfall, ระผู้มีพระภาคทรงรับคําอีกว่า ได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที manner, ่สอารวกยักษ์เรียกล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคําว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอารวกยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคําอีกว่าได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่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 หรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของเราเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝากน้นได้เอาเถอะเชิญท่านถามปัญหาตามที่ท่านสงสัยเถิดลำดับนั้นอาละวะกะยักษ์ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนาความสุขมาให้ อะไรเล่าเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ศรัท ธ, ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจะเท่านั้นเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลาย บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสรศิฐอาระวะราตยักถามดังนี้คนจะข้ามโอเคะได้อย่างไรจะข้ามห่วงมหันโนได้อย่างไรจะล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไรและจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนจะข้ามโอเคะได้ด้วยศรัท ธ, ธาจะข้ามห่วงมหันโนบได้ด้วยความไม่ประมาท จะล่วงพ้นทุกได้ด้วยความเพียรและจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาระวะกะยักถามดังนี้คนทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาทำอย่างไรจึงจะได้ทรับทำอย่างไรจึงจะได้เกียรติทำอย่างไรจึงจะผูกใจหมูมิรไว้ได้และทำอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ คนต้องการบรรลุนิพพานเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอรหันต์ไม่ประมาทรู้จักพินิจพิจารณาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคนปฏิบัติตนตรงต่อเวลาเอาทุระมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ย่อมได้เกียรติด้วยความสัตว์จริงผู้ให้ย่อมผูกใจหมูมิดไว้ได้คนผู้อยู่โครงเรือนมีศรัทธา ประพฤติ ธ, ธรรมสีประการนี้คือสัจธรรมติและจักะตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณะพราหม์เหล่าเอินดูเถิดว่าในโลกนี้เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดีเหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าธรรมาก็ดีเหตุให้ผูกมิสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่าจัะก็ดี เหตุให้หาทรยบได้ที่ยิ่งไปกว่าขันติก็ดีมีอยู่หรือไม่อาลวะกะยะา ก, กราบทูลดังนี้วันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้นในโลกหน้าแล้วยังต้องถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอีกทำไมพระพุทธเจ้าเสเด็จมาประทับที่เมืองอาลวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้ในวันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงบุคคลที่ใครๆถวายทานแล้วมีผลมาก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 วิเชยรสูตรว่าด้วยการพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกายพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้การที่คนเรายืนเดินนั่งหรือนอนคูเข้าหรือเหยียดออกนี้จะเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายนี้ประกอบด้วยกระดูกและเส้นเอ็นมีหนังและเนื้อฉาบทาห่อหุ้มด้วยผิวหนัง ปุตุชนย่อมไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าตับมูดหัวใจปอดไต ม, ม้ามน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อดีเปเลวมันอันหนึ่งร่างกายนี้มีของไม่สะอาดไหลออกจากทวารทั้งก้าเสมอ คือมีขี้ตาไหลออกทางเบ้าตามีขี้หูไหลออกทางรูหูมีน้ำมูกไหลออกจากทางช่องจมูกบางคราวก็อาเจียนสำรอกน้ำดีขากเสลดออกทางปากมีหยาดเหงื่อออกตามขุมขนมีหนองฝีไหลออกตรงที่เป็นแผลอันหนึ่งร่างกายนี้มีศีรษะเป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองซึ่งคนพ่านถูกอวิชชาครอบงำ หลงเข้าใจว่าเป็นของสวยงามและเมื่อร่างกายนั้นตายขึ้นเอิดมีสีเขียวคล้ำถูกทิ้งให้นอนอยู่ในป่าช้าหมูยา ต, ต่างหมดความอาลัยใยดีร่างกายที่เปื่อยเน่านั้นสุนักบ้านสุนักจิ้งจอกสุนักป่าหมูนอนฝูงกาฝูงแรง้งและสัตว์ที่กินซากศพอื่นๆย่ อ, ยอมรุมเยื้อแย่งกันกินภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฟังพุทธพจน์แล้วเกิดปัญญาย่อมกาหนดรู้และพิจารณาเห็นร่างกายนั้นตามความเป็นจริงทีเดียวร่างกายที่ตายแล้วนั้นได้เคยเป็นเหมือนร่างกายที่มีชีวิตนี้และร่างกายที่มีชีวิตนี้ก็จะเป็นเหมือนร่างกายที่ตายแล้วนั้นภิกษุจึงควรคลายความยินดีพอใจในร่างกายทั้งภายในและภายนอกภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปัญญา ไม่ยินดีด้วยฉันทราคะได้บรรลุนิพพานที่เป็นอมตะอันสงบดับและไม่จุติร่างกายนี้มีสองเทา้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหมน็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆขับถ่ายของไม่สะอาดมีน้ำลายน้ำมูกเป็นต้นออกทางทวารทั้ง9ก้าขับเงื่อไคลให้ไหลออกทางรูขุมขนนั้นๆต้องบำรุงรักษาอยู่เสมอด้วยร่างกายที่มีสภาพเช่นนี้ การที่บุคคลหลงเข้าใจผิดคิดเข้าข้างตนเองและดูหมิ่นผู้อื่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัตว์วิชยะสูตรที่11จบ 12. มุนิสูตรว่าด้วยลักษณะของมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ภัยเกิดจากความเชยชิดทุลีคือราคะโทสะและโมหะ เกิดจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสความไม่มีกิเลสไม่มีความเฉยชิดนั้นแลเป็นลักษณะของมุนีบัณฑิต ท, ทั้งหลายเร่องผู้ที่ตัดกิเลสที่เกิดขึ้นได้ไม่ปลูกกิเลสให้เกิดขึ้นอีกเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่พึงให้ไหลเข้าอีกว่าเป็นมุนีผู้เที่ยวไปอยู่พระมุนีนั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงเห็นสันติบทแจ้งชัดแล้ว ผู้กำหนดรู้ที่ตั้งแห่งกิเลสกำจัดพืชได้เด็ดขาดไม่ให้ยางพืชไหลเข้าไปได้อีกชื่อว่าเป็นมุนีผู้มีปกติเห็นภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและอกุศลวิตกได้จึงไม่ถึงการนับอีกต่อไปผู้รู้แจ้งพบเป็นที่อาศัยอยู่ทั้งหมดไม่ปรารถนาพบเหล่านั้นแม้สักพบเดียวชื่อว่าเป็นมุนีผู้ปราศจากความยึดติดไม่มีความยึดมั่น ย่อมไม่ก่อกรรมใดๆอีกเพราะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วผู้ครอบงมธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมีปัญญาม่ได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหานักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้มีกําลังคือปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลและวัดมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้ว ไม่มีกิเลสดุตตะปูเตืองใจปราศจากอาสวะนักปลาชทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้เที่ยวไปผู้เดียวมีปัญญาไม่ประมาทไม่วันไหวเพราะนินทาและสรรเสริญไม่สะดุ้งเพราะเสียงเหมือนราชสีไม่ติดคลายเหมือนลมไม่เปียกน้ําเหมือนบัวเป็นผู้แนะนําผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นแนะนำํำนักปราทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนี ผู้ไม่ยินดียินร้ายคำสรรเสริญหรือนินทาของคนอื่นดุดเสาที่เขาฝังปักไว้ที่ท่าน้ำปราศจากราคะมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วนักปราทั้งหลายประกาศว่าเป็นมูนีผู้ตั้งตนไว้ชอบซื่อตรงดุดกระสวยรังเกียจบาปกรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นกรรมที่เสมอและไม่เสมอนักปราทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนี ผู้ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยกลางคนสำรุมตนแล้วไม่ทำบาปเป็นมุนีมีจิตห่างจากบาปไม่โกรธง่ายไม่ว่าร้ายใครๆนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ได้อาหารดีเลอร์ก็ไม่กล่าวประจบยกย่องผู้ให้ได้อาหารปานกลางหรือเลวก็ไม่ติเตียนเขาให้เสียน้ำใจ นักปราทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้มีปัญญาเที่ยวไปอยู่ผู้เดียวมีจิตเว้นขาจากเมถุนธรรมคือไม่ผูกจิตรักใคร่ในหญิงสาวเลยแม้สักคนเดียวเว้นขาจากความมัวเมาประมาทเป็นผู้หลุดพ้นแล้วนักปราทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้รู้แจ้งโลกเห็นปรมัทธธรรมข้ามโอคะและสมุดได้เป็นผู้คงที่ ตัดกิเลสเครื่องร้อยรัดได้เด็ดขาดไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยปราศจากอาสวะนักปราทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีขรหัสและบรรพชิตสองจำพวกนี้มีที่อยู่และการดำรงชีวิตห่างไกลกันคือคราหัสทำงานเลี้ยงบุตรภัญญาส่วนบรรพชิตไม่ยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของตนมีวัดงาม ครหัสไม่สำรวมเพราะเบียดเบียนสัตว์อื่นส่วนบนรรพชิตที่ชื่อว่าเป็นมุนีสํารวมเป็นนิตรักษาสัตว์มีชีวิตไว้ภิกษุเป็นมุนีเป็นผู้สงบเพ่งพินิจอยู่ในป่าครหัสจะทำตามอย่างท่านไม่ได้เหมือนนกยุงมีสร้อยคอสีเขียวถึงจะบินไปในอากาศได้ก็ยังสู้ความเร็วของห ง, งไม่ได้ตลอดการฉะนั้น มุนิสูตรที่สิบสองจบอุราควัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีนิวัคนี้คือ 1. อุร a คสูตร 2. ธนิยสูตร 3. ขัคควิสานาสูตร 4. กรสิภารัวาชาสูตร 5. จุนทสูตร 6. ปราพวะสูตร 7. วัสลสูตร 8. เมตตสูตรเเหมวัตตสูตร 10. อารวักสูตร1 1วิชยะสูตร 12. มุนิสูตร 2. จูรวัก หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อยหนึ่งรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะพระผู้มีพระภาคตรัสรัตนสูตรดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาฤฤษิตโดยเคารพเถิด เพราะฉะนั้นแลพผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ครวนจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิดมนุษย์เหล่าใดนำเครื่องเส้นสวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นทรยบเครื่องปลื้มใจหรือรัตนชาติที่ประนีตใดๆที่มีในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในสวรรค์ทรย์ หรือรัตนชาตินั้นๆที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระสากยามุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมะตะธรรมอันประนีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐตรสัสสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลร้อยแปดจำพวกที่สรรพูดสรรเสริญ ซึ่งจัเป็นบุคลคลสีคู่เป็นสาวกของพระสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี้เป็นรัตนะอันประนีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่า บรรลุอรหัตผลยังถึงอมตะนิพพานรับรสความดับสนิทแบบได้เปล่านี้เป็นรัตนะอันประีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีสั ป, ปุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจเราเรียกสั ป, ปุรุษนั้นว่ามีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอันไม่วันไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ นี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่เถรกำเนิดในภพที่8นี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดี พระโสดาบันนั้นละทำสามประการคือสักกยทิทิวิจิกิจชาและศีลปะตะปรามาศได้อย่างสิ้นเชิงพร้อมกับการบรรลุโสดาปติมักพระโสดาบันนั้นพ้นจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทำอภิธานหกนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดี ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นจะทำบาปกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้วไม่อาจทำอย่างนั้นได้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีผู้ไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรัง่งในต้นเดือนห้าแห่งชิมหันตาดู งามอย่างยิ่งชั้นใดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอันประเสริฐที่ให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งฉันนั้นนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐทรงประธานธรรมอันประเสริฐทรงนำทางอันประเสริฐมาให้ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใครๆ ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้นี้เป็นรัตนอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระขีนาศพเหล่าใดสิ้นพบเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่ทั้งมีจิตเบื่อน า, นายในภพที่จะเกิดต่อไปท่านเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้วไม่มีฉันทะงอกขึ้นเป็นนักปราดย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไป นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีเท้าสักกะจอมเทพกราบทูลดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดี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 ขอนอบน้อมประสงค์ของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีรัตนสูตรที่หนึ่งจบสองอามาคันทสูตรว่าด้วย สิ่งที่มีกลิ่นดิบติสดาบททูลถามพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้สัรพุรุษทั้งหลายบริโภคเข้าฟ้างลูกเดยถั่วเขียวใบไม้เผือกมันและผลไม้ที่ได้มาโดยชอบทำถึงใครในกามก็ไม่กล่าวคำหล่ะแหละข้าแต่พระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นปรุงเป็นพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตกแต่งอย่างประนีถวายเมื่อสวยข้าวสาลีที่เขาหุงสุกแล้วก็ชื่อว่าสวยกลิ่นดิบข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระพรหมพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นดิบไม่สมควรแก่เราแต่ยังสวยข้าวสาลีที่เขาหุงสุกแล้วกับเนื้อนกที่เขาปรุงเป็นพิเศษข้าแต่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามความข้อนี้กับพระองค์ กลิ่นดิบของพระองค์มีความหมายอย่างไรพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบดังนี้การฆ่าสัตว์การทุบตีการตัดการจองจำการลักขโมยการพูดเท็จการเห็นแก่ได้การหลอกลวงการศึกษาตำราที่ไร้ประโยชน์และการเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่นนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช้อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ ในโลกนี้คนไม่ควบคุมตนในกามทั้งหลายติดอยู่ในรถต่างๆเจือปนด้วยของไม่สะอาดมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลมีการงานไม่เสมอว่ายากสอนยากนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช้อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่พวกคนผู้เศร้ามองมีใจหยาบช้าหน้าไหวหลังหลอกประทุสร้ายมิดร้ายความกรุณาผู้อื่น ถือตัวจัดไม่ชอบให้ทานและไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆนี้ตัางหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ความโกรธความมัวเมาความดื้อรัน้นการตั้งตนไว้ผิดความมีมายาความริษยาการยกตนข่มผู้อื่นการถือตัวเหยียดยามผู้อื่นและการสมาคมกับอสัตว์ปรุษนี้ตัาหากชื่อว่ากลิ่นดิบ หาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ในโลกนี้คนผู้ประพฤติชั่วเป็นปกติกู้หนี้แล้วไม่ชดใช้ชอบพูดเสียสีเป็นพยานให้การเท็จปลอมเป็นนักโบสถ์ในาศาสนานี้เป็นคนต่ำทรามทำความชั่วไร้ยแรงไว้นี้ต่างหากชื่อว่ากลินดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ในโลกนี้คนผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายถือเอาทรัพย์ของผู้อื่น เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นประพฤติ ช, ชั่วร้ายกาจพูดคําหยาบไม่มีความเอื้อเฟือ้อนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ควรผู้รักใคร่เกลียดชังลุ่มหลงประกอบอกุศลกรรมอยู่เสมอตายแล้วต้องตกไปสู่ที่มืดหรือไม่ก็ดิ่งหัวจมลงไปสู่นรกนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบ หาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไหมมิใช่การบริโภคปลาและเนื้อมิใช่การเป็นคนเปลืยมิใช่ความเป็นคนโลนมิใช่การกล่าชดาและการเป็นคนหมัก ม, มมด้วยทุลีมิใช่การครองหนังเสือที่ยังมีเล็บมิใช่การบำเรอไฟหรือความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาความเป็นเทพความเป็นผู้ไม่ตายการทาตนให้ลาบากหลากหลายวิธี เวทมนต์ทั้งหลายการบูชาไฟการบูชายันและการทรมานตนตามฤดูกาลที่ทำคนผู้ยังไม่ร่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ผู้ใดคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหนั้นได้เข้าใจชัดอินทรีย์หกอยู่เสมอดารงตนอยู่ในธรรมยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยนร่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้และทุกทั้งหมดได้เด็ดขาดผู้นั้นชื่อว่า เป็นปราดไม่ยึดติดในอารมณ์ที่ได้เห็นได้ฟังและได้รับรู้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกความที่กล่าวมานี้หนึ่งเนืองจนติดสดาบดผู้เรียนจบมนเข้าใจข้อความนั้นได้แล้วพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีได้ทรงประกาศด้วยพระคาถาอันไพเราะว่าบุคคลผู้ไม่มีกิเลสคือกลิ่นดิบไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัย ใครๆก็แนะนำได้ยากติสรดาบทฟังบทสุภาษิตว่าด้วยเรื่องสิ่งที่ไม่มีกลิ่นดิบที่เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจอ่อนน้อมถวายอภิวาพระตถาคตและกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทณที่นั้นนั่นเองอามะคันทสูตรที่สองจบ